แตกเนื้อหนุ่มช่วงต้นๆก็ทํามากินอะไรไม่เป็นเป็นคนไม่เก่งทํามากินเมื่อทํามากินไม่ไม่เป็นก็แน่คขาก็อยู่ลำบากตัวก็ถือขันแต่ไม่ได้ไปเที่ยวระทานถือในในั้นปรนนาว่านุ่งเศษผ้าที่แปลกเปื่อนขามุขขามอมถือขัน ใบหนึ่งขันสําเร็จด้วยอะไรไม่ทราบหรอกนะอาจจะเป็นขันดินก็ได้แล้วก็เที่ยวไปไหนไม่ได้ขอทานทเที่ยวไปเก็บเม็ดข้าวสุกเม็ดข้าวสุกที่เขาทิง้งไว้ในที่ล้างช่วยล้างชามล้างภาชนะเก็บเอามารวมแล้วก็กินนี่คือความอดอยากยากจนของท่าน ก็เล่ล่อนไปเรื่อยไอ้ที่เขามีแจกให้กินเป็นมือเป็นชามก็อาจจะมีบ้างแต่ว่าอนั่นก็เป็นกรณีน้อยนี่เป็นชีวิตของคนที่ทําบุญกุศลในทางทานไว้น้อยก็เป็นอย่างนี้คราวนี้ต่อมาก็ได้มีโอกาสดีขึ้นในทางอาชีพพื่งเมื่อโตขึ้นอีกหน่อยก็ไปตัดหญ้ามาขายเปลียงชีพ คือเกี่ยวหญ้าขายนะแล้วก็หญ้านี่ก็ไปเกี่ยวในป่าแล้วก็เพราะว่าอต้องไปเกี่ยวหญ้าขายเนี่ครับเลยได้ทําให้ไปเจอปลาหลานันเพราะปลาหันนั่นก็อยู่ป่าแกก็ไปเกี่ยวหญ้าเอามาขายหญ้านี่ก็เอามาขายทั้งข้าวเอาไปให้ให้หมากินในกองคารวานให้หมาให้โคนะฮะแล้วก็หญ้าบางอย่างไม่หญ้าแห้งเขาเอาไปมุงบ้านมุง กระต๊อบอะไรเงี้ยนะก็พอขายได้ก็ทําเป็นลักษณะอย่างนี้อันนี้ก็ได้ไปเจอพระอาหารหันต์ในป่าแห่งหนึ่งในวันหนึ่งอันนี้เป็นจุดผกผันในชีวิตของท่านในตรงนี้เองครับพระอาหารหันต์ก็เทศให้ฟังเทศให้เด็กหนุ่มเกี้ยวญ้าเนี่ยฟังวังแล้วก็เกิดความลืมก็บวชบวชแล้วก็ไอ้ผ้าที่แกนุ่งเนี่ยมใช้ไม่ได้แล้ ตัวไปหาผ้าอื่นเอานะร้าสักคงยาชี้ช่องหรือแบ่งปันให้ตามควรที่มีแต่พอแกบวชแล้วผ้าที่แกนุ่งอยู่เนี่ยนะเอาไปเก็บไว้ในที่หนึ่งตอนเก็บเนี่ยจะคิดไว้ในใจว่าเพื่ออะไรเนี่ยไม่ได้บอกแต่ว่ารายอื่นเนี่ยบอกรายอื่นเข้ามาบางคนเนี่ยยังห่วงอยู่นะคือยังตัดไม่ขาดก็เอาไปเก็บไว้ งคนก็เก็บไว้เพื่อจะให้ใครคนอื่น้าต่อไปแต่ว่าองนี้นะ่ะเมื่อท่านไปบวชได้สักพักหนึ่งก็เกิดความกสันอยากจะสึกถ้าเรียกว่ากสันอยากสึกและเมื่อเกิดความกสันอยากสึกสิ่งหนึ่ง<ม>ที่เป็นตัวหักข้ามใจได้ดีที่สุดก็คือผ้าที่ขาดผ้าคีรุ่งนี่แหละครับ ีแกไม่เก็บไว้เนี่ยแกก็ไปดูผ้าเดินจาริกไปดูผ้าแล้วพิจารณาถึงชีวิตคลองเรือนของแกว่านี่มันยากเย็นแสนเข็นใส่เสื้อผ้าก็ดูไม่ได้เหม็นก็เหม็นขาดก็ขาดตก ก, กก็ปลกต ก, กความเป็นอยู่ก็อดอยากแต่ว่าการมาได้บวชเป็นพระเนี่ยชีวิตมันดีขึ้นทุกอย่างเสื้อผ้าก็ดีอาหารการกินไอ้สภาพชีวิตมันเปลี่ยนหมด แล้วทำไมเราจะศึกไปอยู่กับพระกี่ลิ้วทำไมจะศึกไปโหมพระี่ลิ้วเขาก็คิดแล้วก็ห้ามใจได้บวชอยู่ต่อก็ไม่ต้องบวชหมายเพราะยังไม่ได้ศึกเสร็จแล้วอยู่ไปอยู่มาวันดีคืนดีก็อยากศึกก็ไปดูไายเป็นอยู่อย่างนี้ถึงเจ็ดครั้งนี่ต่างกับพระองค์อื่นอย่างเช่นท่านจิตตาหัตถสารีบุตรนี่นะนั่นศึกเลยครับเจ็ดครั้ง นี่เพียงแต่อยากศึกแล้วก็ห้ามใจไว้ได้ด้วยอาบายดูพาแล้วหลังจากนั้นท่านก็ไม่ศึกอีกเลยเพราะว่าในระหว่างนั้นเรียกว่าปลามความอยากศึกเนี่ยไปเป็นร ะ, ะ ร, ะะระยะระยะระยะระยะจนกระทั่งมันยอมก็จึงมีกจิจใจปฏิบัติทำเต็มที่คือคนอยากศึกเนี่ยมันไม่มีกจิจกใจนะผมก็ไม่เคยบวชได้ว่าเคยคุยกับละ พ่มันอ่อนล้าหมดเลยสอบก็ไม่อยากแล้วสอบนักธรรมสอบเลยไม่อยากสอบเรียนก็ไม่อยากเรียนมันอ่อนล้าไปหมดในที่สุดก็ต้องศึกแต่พอศึกแล้วมามาม า, มาได้อ่ะมาฟังธรรมมาอะไรต่หลายได้พอได้ศึกสมใจละ ท, ที่เรียกว่าคนหมดบุญนะนะหมดบุญนะฝืนอยู่ก็ทําอะไรโปูกเปียกไปหมดเลย เหมือนคนติดตารางอ่ะไม่มีเครื่อกจายจะทำอะไรหรือเหมือนคนจะไปสู่ที่ประหารตรงนี้ถ้าหักข้ามเอาไว้ไม่ได้ก็ไม่เป็นานทำอะไรก็ดเป็นานว่าเมื่อท่านหักข้ามอย่างนี้ได้ท่านไม่มีโอกาสืึกอีกเนื่งนงองจากว่าท่านจะได้เป็นอรหันต์ในการต่อไปซึ่งมี ลำดับเหตุการณ์ตั้งต่อไปนี้นะฮะคือ pues, <simulation S 1> ท่านก็ไปฟังธรรมอ pues ตอนนี้ไม่เป็นอหรหันต์เวลาไปฟังธรรมก็ไปนั่งหลังๆเพราะว่าท่านติดนิสัยชอบหลับในขณะก็เราก็เลยฟังแล้วก็เห็นใจครับขนาดสมัยพระพุทธเจ้านะฮะสมัยนั้นก็มีคนหลับเป็นแบบอย่างมาแล้วก็ธรรมดาค่ะ ขนาดละท่านไม่ได้มีภารกิจอะไรต่างๆท่านยังหลับเราทํางานเหน็ดเหนื่อยกันมาหามรุ่งหามค่ามีแก่ใจมาฟังธรรมะก็หลับบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาที่นี้พระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็ดู<ม>ครับคนเนี่ยอย่าไปนึกว่าคนฟังธรรมะตาใสแจ๋วจะได้บรรลุธรรมนะบางทีหลับๆนะ่ไมได้บรรลุอย่างการณีตอนนี้พระพุทธเจ้าท่านรู้<ม>ว่าท่าน กับปะตะกุระเนี่ยฟังธรรมะอยู่ในท้ายที่ประชุมสงฆ์กําลังหลับๆตื่นๆอยู่และท่านรู้ว่าถ้าปลุกให้ตื่นแล้วจะตื่นเลยทีนี้จะไม่หลับอีกเลยไม่หลับจากสติเลยคือเป็นพระอรหานต์ผู้สมบูรณ์ด้วยสติท่านจึงได้กล่าวถ้อยคําคือกล่าวเนื้อความที่จุดไปสู่ท่านกับปะกุระกับปะกุระเมื่อได้ฟังพรุทธเจชาตรัส เตือนก็ได้เตือนขึ้นจากถีนามิตะก่อนและพระผู้มีพภาคได้ทรงตรัสแนะให้เจริญกรรมฐานจากนั้นท่านก็ปฏิบัติวิปัสสนาและบรรลุเป็นพระอราหันต์ไม่นานใช้คำว่าไม่นานก็ไม่ได้บอกอว่าวันนั้นเลยบรรลุเป็นพระอราหารันต์ไปแล้ว นี่เป็นเป็นเรื่องของท่านกับปกุละท่านจึงได้ว่ากับปกุละภิกษุเกิดความวิตกผิดว่าเราจะนุ่งห่มผ้าผืนนี้แล้วจะเกลี้ยงชีพตามมีตามเกิดเมื่อน้ําใสาคืออมาตะธรรมของเรามีอยู่เต็มเปี่ยมในหม้ออมาตะเราเอาบาตรตักน้ําคืออมาตะธรรมใส่หม้ออมาตะเพื่อสั่งสมชานทั้งหลาย ดูก่อนกับปะตะท่านอยามานั่งงอกง่วงอยู่ได้คิดว่าจักฟังธรรมเมื่อเราแสดงธรรมอยู่ในที่ใกล้หูของท่านเช่นนี้ท่านอยามัวนั่งงอกง่วงอยู่ดูก่อนกับปะตะท่านนั่งงอกง่วงอยู่ในถ้ำกลางสง์เช่นนี้ไม่รู้จักประมาณเลยเนี่ยข้อนี้เป็นคำมุจติจ่าที่ว่าตรัสจี้ไปนะคำว่าไม่รู้จักประมาณเลยว่า ออันนี้เป็นประมาณในหมายถึงว่าประมาณในบริษัทคือภิกษุสงฆ์ที่เป็นพระอราหันต์ก็เยอะเนี่ยนะว่าไม่คือพูดอย่างนี้คือไม่เกรงใจพระอราหันต์เอาความบังัอิแล้วกันไม่เกรงใจพระอราหันต์เลยํานองนั้นหรือไม่ยำเกรงพระอราหันต์เลยจึงตัดแบบนั้นเอาละครับมาถึง องค์ถัดไปอีกองคหนึ่งเราเหลือบดูชื่อแล้วก็ลองอ๋อเลยครับมอีองค์เดียวที่ชื่ออย่างนี้ท่านกูมาลกัสปะท่านกูมาลกัสปะนี้เป็นเอตทักกะทางด้านกล่าวถ้อยคําได้เป็นวิจิตซึ่งหมายถึงวิจิตด้วยการอุปมาเปรียบเทียบคนที่พระที่อุปมาเก่งในครั้งพุทธกาลเว้นพระพุทธเจ้าเสียแล้ว คือท่านกูมาลากัสปะแล้วก็หลังจากนั้นมาอีกถึงสตวัตที่หกที่ห้าที่หกที่อุปมาเก่งเป็นพิเศษก็คือพระนาคเสนเทระที่เป็นเจ้าของเนื้อหาในมีลินทะปัญหานั่นเองครับนั่นอุปมาโอไม่เก่งเลยสา ม, มารถจะทวงอุปมาได้ตลอดเวลาและท่านก็อุปมาได้ตลอดเวลา แล้วถ้าเป็นในยุคนี้ก็มีคนอุปมาเก่งอยู่คนนึงตายไปแล้วครับเป็นคารวาสผู้ครองเรือนรู้ไหมครับคายพันเอกเปิ่นมุตุกันอุปมาเก่งในยุคนี้นะ่ะยุคที่เราพอทันแต่ท่านเกษียชีวิตไปแล้วทั้งปีหนึ่งหนึ่งสี่แล้วมั้งอุปมาเก่งมากท่านกูมาลกัสปะเป็น ลูกของทิดาเศรษฐีคนหนึ่งประวัติท่านเนี่ยเราเกือบจะพอรู้เข้าเกลากันโดยส่วนมากหลายคนก็รู้โดยพิสดารเป็นทิดาเศรษฐีชาวเมืองราชกฤกก็หมายว่าท่านผู้นี้เป็นคนแคว้นมคตเกิดในเมืองราชกฤกเป็นลูกของลูกสาวเศรษฐีซึ่งลูกสาวเศรษฐีเนี่ยเป็นคนมีบารมีทางเนคขมมาแต่ปุริชาตเมื่อ จริญเติบโ ต, ะตะขึ้นเนี่ยก็มีความคิดจะบวชมาตลอดเวลาแต่พ่อแม่ไม่ยอมให้บวชพ่อแม่อยากจะให้ดำเนินชีวิตยอย่างปกติธรรมดาก็เลยไม่ได้บวชตัวเองก็ถึงพ่อแม่จะจะจับแต่งงานก็ยังหาช่องอยู่ตลอดเวลาก็คิดว่าเราจะต้องขออนุญาตกับสามีได้ทีนี้การจะขออนุญาตจากสามใีให้อนุญาตบวชเนี่ย ก็ควรจะต้องทาอะไรให้เป็นที่ถูกใจสามีแล้วก็ขออนุญาตเขาเขาก็จะอาจจะให้ในความเห็นใจในความดีในที่สุดก็ทำสาเร็จก็สามียอมให้บวชและตอนบวชเนี่ยตัวตั้งคันไม่มีใครรู้เลยสามีก็ไม่รู้ตัวก็ไม่ทราบก็มาบวชพอบวชแล้วคันก็ค่อยๆโตขึ้นทีละหน่อยเียนหน่อย ก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พิษุณีฟังพิสุณีก็ไปปรึกษาพระเทวทัตพระเทวทัตตัดสินเลยพระกอบบาลายชิกจังสึกมีอย่างแล้วมาตั้งคันในประเหลืองเนี่ยพอตัดสินให้เพป็นบาลายชิกพิษุณีก็ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าท่านก็ใช้วิธีการตัดสินด้วยอำนาจของการปกครองนะ แบบตุลาการนะต้องมีหลักฐานมีกฎเกณฑ์อะไรตามสมควรก็จึงมอบให้ธนูบาลีเนี่ยเป็นประธานกรรมการธนุบาลีก็ไปตั้งไปเชิญกรรมการที่เป็นฆราวาสส่วนหนึ่งเป็นโยมอ่าเป็นพระเป็นภิกษุณีมาประชุมร้อมกันก็สืบทางฝ่ายฆราวาสที่เป็นกรรมการน้ำกันก็คือนางวิสาขาซึ่งรู้เรื่องธรรมชาติของการมีบุตรดีเพราะนางมีลูกเยอะ แล้ก็เป็นโสทาบันด้วยก็ได้ผลสรุปออกมาว่าตั้งคันมาก่อนบวชเมื่อตั้งคันมาก่อนบวชเนี่ยก็ไม่ผิดทีนี้ปัญหาว่าคนตั้งคันท้องโตแล้วไปขอบวชเนี่ยได้ไหมถ้าสมมุติว่าสมัยยังไม่มียังมีวิรุณีอยู่เนี่ยไม่ได้ใช่ไหมต้องคลอด้วก่อน แต่ว่าถ้าไม่รู้จริงๆแล้วมาบวชบวชแล้วก็ต้องบวชเลยก็ถือเป็นพิสุจนีก็ต้องรอไปกอด เ, เอาเหมือนเหมือนคนเป็นบ้าก่อนบวชบวชไม่ได้แต่ว่าถ้าบวชแล้วเป็นบ้าเป็นพระแล้วก็แล้วกันไม่ขาดจากความเป็นพระวินัยให้การคุ้มครองแล้วก็บางทีให้อาสิทธิพิเศษตรงที่ว่าถ้าบวชแล้วเป็นบ้าไปทำผิดวินัยเขไม่อาบัดีกค ถือว่าไม่ได้ทําด้วยเขอเรียกว่าทําด้วยกรรมนะทําด้วยกรรมแรงกรรมไม่ได้ทําด้วยอํานาจสันดานแท้ของบุคคลนั้นแม้ว่าไอ้ความรู้สึกเมื่อคิดในขณะที่ทําจะดูเป็นกิเลสก็ตามแต่ว่ากิเลสนั้นไม่ได้เกิดจากอํานาจของปัจจตูวนิสัยะแต่เกิดจากอํานาจของนานากณิกกรกกรมปัจจัยเป็นตัวกระตุน้นทําให้ทํากรรมก็เลยไม่ปรับผิด ก, ก็เป็นนั้นว่า ท่านกุมาลกัสปะนั้นเป็นพระที่มีประวัติประหลาดกว่าพระองค์อื่นก็ตรงนี้ถ้าถามว่าเกิดที่ไหนเร า, าเซียนนี่บอกเกิดโรงพยาบาล น, นั่นโรงพยาบาล น, นี่สมัยก่อนก็ว่าเกิดโดยมากก็เกิดที่บ้านะพาหมอตำแยมาผมเองนี่ก็ไม่ได้เกิดที่โรงพยาบาลเกิดที่บ้านแล้วหมอตำแยทําคลอดผมก็คือตาผมเอง อาผมนี่เป็นหมอสารพัดทำคลอดกระดา อ, อท่านเกิดในวัดเนี่ยเกิดในวัดถามแม่เป็นใครแม่เป็นพระดีถ้าพ่อมาบวช ด, ด้วยก็บอกพ่อเป็นพระแต่ตอนทําหน้าที่พ่อทําหน้าที่แม่ยังไม่ไบวชนี่ดีว่าพ่อไม่ได้บวชก็เลยพ่อไม่ได้เป็นพระนี่เมื่อคลอดออกมาแล้วก็เป็นคนที่มีผิวพรรณงดงาม ลักษณะดีตามภาษาคนมีบุญนะแล้วก็เชื้อสายกระลูกเศรษฐีทั้งพ่อทั้งแม่เมื่อคลอดแล้วพระเจ้าประเสนที่โกศลทรงรับเอาไปเลี้ยงนี่หมายความว่านางเองเนี่ยเป็นคนะะราชกฤตแต่งงานอยู่ที่ะะราชกฤตแต่ตอนมาบวชเนี่ยครับมาอยู่ที่แควนโกศลมือสาวัตถีที่วัดพระเจดวันแล้วก็เข้าใจว่าจะมาคลอดกันที่นั่นแหละ พอเจ้าพระเจาพิสุณนีไปไว้บ้าบ้างก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ที่วัดพระเจ้าประเสริฐเลยรับเอาไปเป็นลูกบุญธรรมนี่เราอ่านแลนะเราก็นึกว่าเอ้นี่ทําไมไม่ตามหาพ่อนะไม่ก่อนอาจจะลําบากก็ได้นะหรือไม่รู้ว่าพ่อจะยังไงจะเชื่อหรือไม่หรือจะต้องไปนั่งพิสูจน์กันอีกนะว่าลูกเลิกบุญวายกันใหญ่แล้วก็พระพุทธเจ้าก็อาจจะเห็นว่าคนนี้มีอัจฉรัยจะต้องบวชอะไรอยู่แล้ว ไปเป็นไปส่งไปหาพ่อแล้วก็อาจจะไปเป็นอุปสรรคอะไรอีกก็ไม่ทราบนะฮะนี่เราก็นึกในนี้ไม่ได้วิจารไปหรอกเราก็นึกสงสัยแล้วก็นึกให้คําตอบเอาเองเป็นหลายหอย่างเมื่อโตขึ้นพระเจ้าประเสนก็นําไปถวายพระพุทธเจ้านี่เหมือนกับว่ารู้กันอยู่นะว่าเลี้ยงโตแล้วก็พอพอจะบวชเนนได้ก็พามาแล้วกันคนนี้นะเป็นปฏติมบวิกษัตริย์คือมีพบชาติเป็นสุดท้ายแล้วก็นําไป ถวายพระพุทธเจ้าพุทธเจ้าก็รับเป็นลูกด้วยวิธีการบวชเนนให้แล้วก็เมื่อบวชเนนก็เป็นเนนที่น่ารักกับรักษาศีลาอาชวัตรได้เนนเนี่ยถ้าธรรมดาเราก็ว่าดูน่ารักอยู่แล้วนะ่แะแต่เนนที่เป็นเรียกว่าออกมาจากในวังเนี่ยพระเจ้าแผ่นดินเป็นอโยมุปัฏฐากให้ แล้วก็เป็นคนมีอุปนิสัยบารมีก็คงจะน่ารักมากน่ารักน่าเลื่อมใสนะนะถ้าเป็นพระอรหันต์ท่านก็มองอย่างน่าเลื่อมใสมองอย่างในเชิงคุณคุณค่านนะั้นถ้าพุทธชนพระพุทธชนก็อาจจะมองด้วยทางกายภาพว่านารักพระบุทธเจ้าและภิกษุทั้งหลายเนี่ยเมื่อได้ของขบเที่ยวครบฉัน้นที่ควรจะแบ่งให้ก็จะแบ่งให้แล้วบางทีพระเจ้าก็ตรัสบอกว่าภิกษุทั้งหลายนี่กูมาระกสปะไปอยู่ไหน เรียกมาเราจะให้ผลไม้ชื่อนี้ชื่อนี้ก็จัดเรียกว่าก um <ม>ุมารกระสปะก็เลยถือเอาเป็นชื่อของท่านไปเลยนี่กุมารกระสบป่าผู้เจ้าเจ้าเรียกเองเนะเรียกว่าเป็นกระสปะองค์เด็กเพราะมีกระสปะองค์ใหญ่ อ, องค์ท่านมากระสัป่าพอมันมีกระสับปานอีกก็เลยก um ุมารกัะสับป่าแล้วมีกระสปะอื่นก็เติมชื่ออะไรต่อะไร เป็นกระปะเป็นพวกพวกไปเลยเลยได้ชื่อว่ากูมาละกระสะติดองท่านมาจนแก่ชราไม่ได้มีความหมายตามความเป็นจริงในสมัยหลังๆว่ากูมากุมาแต่อย่างใดเมื่อได้เป็นพระ เ, เมื่อท่านได้บวชแล้วปรากฏว่าท่านได้เป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ยังเป็นเนรนั่นเองครับแล้วก็มีพรสวรรค์บารมีอันหนึ่งก็คือ แสดงธรรมะได้เก่งโต้ตอบธรรมะเรียกว่าปุจฉาวิสัญนาในเก่งมากเก่งทั้งในทางปฏิพันธ์แล้วก็มีลักษณะทั้งอุปมาเนี่ยครับที่เพิ่มให้ความรู้สึกให้ความเป็นจริงเป็นจังกับธรรมะที่ท่านแสดงในทางหลักเป็นเป็นความสามารถในทางเทศเสริมหลักด้วยอุปมาเนี้ได้เป็นอย่างยอดเยี่ยม และเป็นองค์ที่ไปปราบทิฐิของพระเจ้าปายาสีได้ในปายาสในปายาสีราชัญญสูตรนั่นเองเออก็ว่าเมื่อท่านบรรลุเป็นพระหลานการบรรลุเป็นพระหลานของท่านเนี่ย ม, มีบางสิ่งบางอย่างก่อนบรรลุอย่างนี้ครับว่าท่านก็เรียนพุทธวจนะในภาคปริยัติแล้วก็ไปปฏิบัติกรรมฐานอยู่ในป่าและได้เพื่อนเป็นกาลยนานมิตร ช่วยช่วยแบบองค์เมื่อกี้ไม่ใช่มาเป็นผู้เทศเพื่อนนี้มาจากสุทธาวาสเป็นพระอนาคานาคามีเข้าใจว่าตอนมาจะเป็นอหรหันต์แล้วเป็นเพื่อนกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ตั้งแต่สมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนที่ได้ขึ้นไปอธิษฐานประพฤติวิปัสนากรรมฐานบนยอดเขาด้วยกันและองค์ที่เป็น บางองค์ก็ได้เป็นอาหารหันต์บางองค์เป็นพรหมสุธาเป็นอนาคามีไปพรหมสุทาวาาในองค์นี้นะะนี่มาช่วยหลายองค์แล้วครับช่วยท่านพาหิยะก็องค์นี้แหละเพราถือว่าอยู่ในกลุ่มเพื่อนเพื่อนรุ่นเดียวกันแล้วก็ชีวิตก็สูงต่ำไม่เท่ากันก็มีเพื่อนเป็นพรมหมในเพื่อนก็ช่วยได้เราก็ฟังดูก็นึกฝันหวานว่าเราจะมีเพื่อนเป็นพรหมบ้างหรือเปล่าเนี่ยเผื่อจะเรียกมาใช้บ้าง เราเข้าใจเค่ตรงเนี้ยถึงว่าเราต้องแผ่เมตตาหาเพื่อนเก่าขอแรงนสนับสนุนหน่อยแผ่เมตตาหาพวกหาเพื่อนมีอะไรก็เออใครได้เคยเกิ ค, คุณกันไว้ที่นี่หรือที่ไหนพอช่วยได้ก็มาช่วยกันช่วยให้เราปัดเป่าช่วยให้เราได้ประสบความสำเร็จอย่างที่เราต้องการจะได้นะ่ะก็ลองลองดูก็แล้วกัน แล้วก็บางคนก็พิสูจน์ได้ว่าเป็นอย่างนี้มีอย่างนี้จริงๆได้รับการคุ้มครองพิเศษจริงๆครับยุคเราเนี่ยรู้จักมาหลายคนแหละที่เป็นแบบนี้บางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้บางคนก็นกไม่ใช่เพื่อนเก่าหลายกลับหลายการอะไรล่ะก็เพื่อนเก่าเมื่อไม่กี่สมัยมานี้เอง มันเพื่อนเราก็เหมือนเจ้ากรรมในเวรเราครับเจ้ากรรมในเวรเราเขาไม่ทิ้งเราได้เยื่อใยแบบหนึ่งแล้วก็คนที่มีบุญคุณที่เรามีบุญคุณเขาก็เยื่อใยลวแบบหนึ่งคนที่เราพฤติทําร่วมกันมาก็เยื่อใยอีกแบบหนึ่งที่ต่างคนต่างเกื้อกูลกันนะเนี่ยโบราณถึงสอนเรื่องทํานองอย่างนี้ก็โดยความหมายลักษณะอย่างนี้เองเปรนกานว่าเมื่อท่านปฏิบัติทางมาฐานอยู่ในป่าเนี่ยเพื่อนมา มาไม่ได้มาอย่างผู้มาสอนธรรมะหรอกเพราะว่าเพื่อนที่เป็นลมเนี่ยเป็นเวไนยของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะฮะและท่านกูมาแลกัสปะเนี่ยเป็นเวไนยของพระพุทธเจ้าเมื่อต่างคนต่างเป็นเพื่อนแต่ว่ามีอาจารย์เป็นคนละองกันองค์พระพุทธเจ้ากันสิ่งที่เพื่อนจะช่วยเพื่อนได้ไม่ใช่มาตั้งตัวเป็นศาสดาสอนเพื่อนละเอง ท่านมาทำหน้าที่เป็นแต่เพียงให้มุกท่ญญานใช้คำว่าให้มุกคือให้ประเด็นให้จุดหลักตั้งปัญหาให้ถึงห้าข้อแล้วให้ไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจา้จาจะทรงตรัสสอนบอกในสิ่งที่จะเข้าจุดสู่การปฏิบัติและบรรลุทําได้ของอท่านกุมารกสปะในการสืบต่อไปก็เมื่อได้ตั้งปัญหา ในลักษณะการตั้งปัญหาเนี่ยรู้ว่าตั้งอย่างนี้พระพุทธเจ้าจะตอบอย่างนี้แล้วก็ผู้ถาม เ, เมื่อได้ถามอย่างนี้จะได้ความเข้าใจอย่างนี้และเมื่อได้ความเข้าใจอย่างนี้ก็จะได้ความเจริญในธรรมอย่างนี้เมื่อไปถาม ร, ปป ร, รพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าทรงวิสัจนาก็ได้เข้าใจธรรมะและ้วก็ไดเอามาเป็นข้อปฏิบัติเป็นอุบายปฏิบัติบรรลุเป็นพระอรหันต์ไปตอนนี้เองครับทำให้ิศนาแก่กล้าได้ เนี่ยท่านบรรลุทำที่ปานทวันปานธวันนั้นก็อยู่หลังวัดพระเชตวันห่างไปสักประมาณกิโลเป็นเขตป่านทวันก็เลยท่านก็เลยเก่งเรื่องถามเรื่องตอบมาเพราะอาการตรงนี้ด้วยที่ได้จากพระพุทธเจ้าสอนทําให้เห็นเป็นตัวอย่างเนี่ยเลยได้เอามาสงเคราะห์คนด้วยวิธีการอย่างนี้แล้วมาปราบคนบางคน โดวยวิธีการอย่างนี้ต่อไปองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเจ็ดนั้นชื่อว่าธรรมปาละผู้รักษาธรรมผู้บริบาลธรรมท่านธรรมปาละนั้นเกิดในสกุลพราหมณ์ชาวแคว้นอวันตีแต่ว่ามาพบพระพุทธศาสนาหลังพุทธปรินิพพานไม่นานนะฮะอย่าถามว่ากี่ปี ไม่ใช่หลังพุทธกาลเป็นร้อยปีนานๆอย่างนั้นคือว่าเหตุที่ได้มาพบพระพุทธศาสนาเนี่ยก็คือตัวเนี่ยไปถูกส่งไปเรียนวิชาการเพิ่มเติมคือถ้าจะเทียบอย่างเด น, นี้นะพวกเกิดในตระกูลพราหมเนี่ยก็จะเรียนในวิชาที่ครอบครัวให้เรียนเท่าที่หาได้นางสายพรามณเนี่ยขั้นหนึ่งเหมือนก็เป็นเป็นขั้น ว่มหรือหรือขั้นบรลินยาตรีอะไรก็แล้วแต่จะเทียบแล้วก็ส่งไปเรียนที่เมืองตะกัศิลาซึ่งเป็นเมืองไหมายลขแต่มันยังไม่ได้มีรูปเป็นหมายเลขนะสมัยก่อนนะัก็เป็นการสอนกันแบบเป็นครอบครัวอาจารย์เป็นครอบครัวครอบครัวไปแล้วก็ลูกศิษย์ก็ไปอยู่ไอที่เป็นโรงพยาบาลก็เป็นโรงพยาบาลนี่เหมือนอย่างเดี๋ยวนี้ที่ที่รักษากันบางคนนะ่ะรักษาได้ก็มีคนหลังไหลมาก็มาอยู่ก็เหมือนเป็นโรงพยาบาลแต่เป็นบ้าน รูกการเหมือนเป็นโรงพยาบาลแต่ว่าระบบมันเป็นบ้านตอนนั้นที่เมืองตากศิลาก็เป็นอย่างนี้เป็นสำนักสำนักก็สำนักก็คือบ้านอาจารย์ใหญ่บ้างเล็กบ้างแล้วแต่ความเก่ง<อ>ความสามารถของอาจารย์แล้วก็แล้วแต่สาขา ว, วิชาว่ามีคนต้องการมากต้องการน้อยทีนี้เมื่อไปเรียนก็ไปเรียนจบมาเมื่อจบก็เดินทางกลับมา เพื่อที่จะาความรู้มาใช้ประกอบอาชีพอย่างคติธรรมดาเนี่ยแต่เกิดเหตุการณ์บังเอิญขึ้นคือมาได้พบพระองค์หนึ่งพระอรหันต์ที่วัดวัดหนึ่งพระท่านก็เทศธรรมะให้ฟังฟังแล้วก็เลื่อมใสเลยบวชเลยค่ะสิ่ก็อาจจะ ผิดกับบางองค์ที่เราเล่ามาแล้วว่านั่นเดินทางไปเจอระหว่างทางบวชปฏิบัติธรรมเลยเป็นพระอรหันต์เลยแทนที่จะไปเรียนตักกติลาก็ไปเรียนกัพละอะไรก็ไม่รู้เป็นอรหันต์เลยเลยสูงสุดไปเลยเพื่อบวชก็จเจริญวิวัสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์ได้อภิญาด้วยครับแล้วก็ได้ทําหน้าที่เผยแพรธรรมะไปตามต้องควรแก่ความสามารถอนี่ก็เป็น เป็นประวัติของท่านเป็นพระที่ไม่เป็นที่รู้จักของเราอนะแต่เป็นอรหันต์ที่มีฤทธิ์ด้วยเราเคยบ่นเสียดายว่าบางคนเนี่ยพอจบก็ไปบวชเสียด้ความรู้บางคนเป็นหมอไปบวชก็มีคนบ่นเสีได้ความรู้อะไรอย่างงี้ยนะฮะองนี้ก็อ่านอแล้วบางคนก็อาจจะนึกบ่นเสียดายความรู้อะไรอย่างงี้นะฮะองนี้ก็อ่านอแล้วบางคนก็อาจจะนึกบ่นเสียดายความรู้ าเรียนแล้วน่าจะเอาไปช่วยชาติบานหมือนกับมาเป็นอรหันต์ท่านี่เขเป็นอรหันต์ได้จะไปทำอะไรใช้ความรู้นั้นอย่างธรรมดากละว اة ก็ไม่ได้ยังงอันนี้ก็คิดแบบโลกๆนะองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบแปดชื่อว่าพระพรมมาลีหรือพรมมาลิเนี่ยก็คือพรมมาลีแล้วครับท่านพรมมาลีนี้เป็นชาวแคว้นโกศลเกิดในตระกูลพราหมณ์พอได้บรรลุนิติภาวะแล้ว บารมีเก่าเตือนครับทําให้ท่านเกิดความเบื่อหน่ายในชีวิตเบื่อหน่ายในสงสารเบื่อหน่ายในการคลองเรือนเห็นไม่เป็นสาระคือไอ้คําว่าเบื่อหน่ายเบื่อหน่ายเนี้ยก็คนไม่รู้สึกอะไรเลยก็เข้าใจลําบากแล้วก็ท่านพูดว่าอย่างคนไปบวชอย่างรุ่นเราเนี่ยก็โดยมากจะมีไปบวชเพราะเลื่อมใสนี่พูดว่าเลื่อมใสเช่นเลื่อมนี่เราพูดถึงกรณีคนที่บวช ด, ด้วยด้วยเหตุผลทางธรรมะนะ ไปบวชเพราะเลื่อมใสเห็นวนะ่าเลื่อมใสพระเลื่อมใสอะไรต่างๆในอันหนึ่งแล้วก็อีกข่วงที่หาได้ยากหน่อยก็คือบวชเพราะไม่เห็นสาระของการคลองเลือนของการดําเนินชีวิตแล้วก็เห็นภัยในสังสารวัตนี่ยิ่งยากไปอีกนะความสลดใจในสังสารวัตแต่ว่าความสลดใจในความไม่เป็นสาระของการคลองเลือนเนี่ยนะฮะซึ่งมันมันคลุมทุกอย่างหมดแล้วเนี่ยก็ยังนับว่า พอมีเยอะแต่ก็ไม่มากกว่าบวช ด, ด้วยศรัทธานี่ว่าคนที่เขามองไม่เห็นเป็นสาระเนี่ยเขารู้สึกยังไงจะไปพูดกับคนไม่ไม่เคยได้ยินเรื่องทํานองนี้เลยไม่เคยเกิดความรู้สึกเลยก็คงแก้ก็ใจได้ยากว่ามันไม่เป็นสาระยังไงแล้วมันสลดใจยังไงมันเบื่อหน่ายยังไงนะเอ่ที่ผมพูดทักขึ้นมาเนี่ก็เพื่อว่าเพื่อใครจะเข้าใจอยู่ก็จะนึกถึงความรู้สึกของตัวเองที่ อาจจะเคยมีหรือมีอยู่เป็นข้อยืนยันความเข้าใจของท่านพรมมาลีและอีกหลายๆองค์ในลักษณะเดียวกันนี้ได้อท่านก็ไปบวชไปบวชเป็นพระเลยแล้วก็ได้เพื่อนดีเป็นพี่เลี้ยงได้เจริญวิปัสนาบรรลุเป็นพระอรหันไม่นานตะว่าเป็นคนที่มียาแก่กล้ายอยู่แล้วและเมื่อบรรลุเป็นพระอหรหันต์แล้วท่านก็จะนิยมการอยู่ป่านะคร ชอบอยู่ที่ป่าเทวดาอารักก็รักษาท่านแหละเพราะว่าวก็พระดีทุกองค์ก็มังจะเป็นอย่างนี้นะต่อไปอีกองค์หนึ่งองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบองค์ที่หนึ่งร้อยห้าสิบเก้าชื่อว่าพระโมคคราชพระโมคคราชนี้เราเคยพูดถึงท่านมาแล้วเมื่อครั้งพูดถึงพระเอตทัคคะท่านโมคคราชเป็นเอตทัคคะในเรื่องอะไระผมถามทิ้งท่านไว้นึกไม่ออกก็จะบอกต่อไปนะ และท่านเป็นใครท่านโมคราชนั้นเรารู้ว่าเป็นหนึ่งในสิบหกของมานุสิบหกคนที่เป็นพรามุกสิทธิ์ของภาวรีบรามที่ตั้งสำนักอยู่ที่ครุงน้าแม่น้มโคทาวารีซึ่งอยู่ในเขตแก้นโกสนความภาวรีเองก็เป็นข้าราชการผู้ใหญ่ของพระเจ้าโกสนมาตั้งแต่ยุคพ่อจนกระทั่งกเกษียณตัวเอง ด้วยความเบื่อหน่ายแล้วก็ด้วยบารมีออกไปแสวงหาโมกธรรมมีคนเลื่อมสายมากมายไปบวชเป็นดาบทอยู่ด้วยก็มากโมขราชนี่เป็นคนหนึ่งครับที่ไปบวชเป็นดาบทอยู่ด้วยแล้วก็ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าสานักเป็นเจ้าสานักบริหารศิษยานุสิตกลุ่มหนึ่งในสายของพรรามโคทาวารี มานุษสิบหกคนนี่ก็คือสิบหกคณะสิบหกกลุ่มสิบหกสำนักเมื่อพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นกิติศัพท์มาถึงหูของพระามโคทาวาดีก็ส่งลูกศิษย์ให้มาอย่างภูมิปัญญาตั้งปัญหามาให้แล้วก็ให้สังเกตท่วงทีทุกสิ่งที่อยากและให้กลับมารายงานมาน้ษสิบหกคนก็ไปเฝ้าถามปัญหาเป็นอราหาันกันหมดเลยบรรลุเป็นพระลหันบวชหมด เป็นเออเป็นเอหิพิคุปัสสะมัทาบวกันไปหมดก็จึงมาบอกอาจารย์ต่อภายหลังนะฮะอาจารย์ได้ทีหลังลูกศิษย์ครับแต่ว่าบารมีอ่อนกว่าลูกศิษย์ก็คงจะได้แหละาีนี้เมื่อท่านได้บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วท่านมีจริยาวัดอันหนึ่ง ที่เป็นข้อยกย่องเป็นพิเศษท่านหลับท่านก็คือครองผ้าบางสกุลเป็นผ้าเศร้าหมองคาําว่าเศร้าหมองของผ้าบังสกุลเนี่ยท่านบอกว่าเศร้าหมองได้มีเศร้าหมองได้ได้เร้าหมองได้น้าย้อมคือยอมอย่างหมองๆด้วยแล้วก็ได้ที่เย็บมันเหมือนรอยปะนะเหมือนรอยปะ ผ้าถ้าไม่มีรอยปะเนี่ยก็คือผ้าที่ไม่มีความเศ้าหมองถ้าเราไปเห็นใครที่เขายากจนเขาใส่เสื้อแล้วมีรอยปะก็เราก็รู้สึกว่าเป็นผ้าที่ราคาน้อยเป็นผ้าที่เศร้าหมองใครไปใส่ไฟนี้ก็ดูเศร้าหมองแล้วก็เศร้าหมองโดยมีดคือรอยตัดเวลาตัดเย็บเนี่ยนี่คือสิ่งที่ทำให้ผ้าเศ้าหมองมีดเป็นเครื่องมือทาให้ผ้าทั้งชิ้นนั้นเกิดราคาตก ได้ทำให้เกิดรอยด่างเป็นส่วนๆเป็นชิ้นของผืนผ้าแล้วก็น้ำย้อมที่เศ้าหมองเนี่ยก็ทำให้ผ้านั้นขาดความสดใสเส้าหมองในทางสีท่านก็นุ่งห่มผ้าบางสกุลที่เป็นลักษณะเศ้าหมองอย่างนี้เลยได้รับยกย่องจากพระวุทิเจ้า ว, ว่าเป็นผู้เลิศในการนุ่งห่มผ้าเศ้าหมอง แล้วก็ท่านเองเวลาท่านอยู่กุฏิอยู่อะไรเนี่ยครับท่านจะมักจะอยู่เรียกว่านอนบนเครื่องลาดที่ทําด้วยฟางเอาฟางมาลาดแล้วก็เผาหม่มยังเอาฟางห่มเลยชอบอยู่เรียบง่ายกับท่านแบบนั้นก็จะไปว่าท่านก็ไม่ได้หรือจะเอาท่านมาเป็นเกงกับคนอื่นก็ไม่ได้เหมือนกันเอาล่ะมาถึงอีกองคหนึ่งองค์ที่หนึ่งร้อยหกเดี่ยเราพึ่งมาถึงองค์ที่สิบ ของวันนี้นะฮะทีชื่อว่าวิสาขาปัญจาลบุตรท่านวิสาขาปัญจาลบุตรวิสาขานี่เป็นชื่อตัวปัญจาละเป็นชื่อของตาเป็นชื่อตาคือตามชื่อเนี่ยปัญจาลบุตรแปลว่าลูกของพระเจ้าปัญจาละเนื่องจากว่าแม่เนี่ยเป็นลูกสาวหรือเป็นราชธิดา ของพระเจ้าปัญจาละเลยเรียกว่าปัญจาลบุตรซึ่งความหมายก็คงจะหมายถึงลูกของเจ้าเชื้อสายปัญจาละก็คงจะหมายความอย่างนั้นเอาชื่อตามาเรียกเป็นชื่อตัวก็ไปพ่อก็เป็นพระเจ้าบนดินนะคือพระเจ้ามันตลิกะเอพร ะ, พระเจ้ามันตลิกะเนี่ยเป็นเจ้านาครเล็กนครหนึ่งที่อยู่ในแคว้นมกฏ มีลูกมาเป็นอหรหันต์หลายองค์แล้วครับเราเคยผ่านหูมาแล้วหลายองค์ส่วนตัวท่านจะเป็นยังไงเวลานี้ยังไม่รู้ว่าประวัติของท่านจะได้เป็นอหรหันต์หรือไม่ยังยังยังไม่ได้บอกนะฮะยั ง, ย, งยังไม่ยังไม่อาจบอกได้ในตอนนี้ก็ท่านวิสาขาปาญจาระเนี่ยก็เลยเป็นรัชทายาทพระองค์หนึ่งแล้วก็ได้เป็นพระราชาอยู่ระยะหนึ่ง แลเหตุที่ออกบวชเนี่ยก็เพราะว่าพระพุทธเจ้าได้เสด็จไปที่พระนครตัวใกล้ใกล้เข้าไปสู่พระราชวังก็ไม่ได้ไปที่พระราชวังคือไปบปำนักเสด็จไปในที่แถวๆนั้นเอาความเหมือนั้นท่านก็ได้ไปฟังธรรมะจา ก, จากพระโอษฐ์เมื่อได้ฟังธรรมะแล้วก็เลื่อมใสเหมือนกับพวกพี่ๆน้องๆคนอื่นที่เขาบวชบวชกันไปต่างการต่างวรรคกันนี่นะ แล้วก็ได้ปบารมีธรรมจนกท่างได้เป็นพระอรหันต์โดยโรวดเร็วจากนั้นก็ได้กลับมาเยือนมาสงเคราะห์ญาติมาแสดงธรรมสงเคราะห์ญาติให้ถึงไตสรณะกันไปเยอะเลยทีเดียว อ, อท่านเองเนี่ยจะเป็นผู้ทรงคนวุฒิทางด้านวิชาธรรมกะถึกเพราะฉะนั้นคนเมื่อจะไปถามถึงเรื่องการสอนธรรมะการแสดงธรรมเนี่ย ท่านจะตอบได้ดีเหมือนอย่างที่ปัญหาหนึ่งที่ท่านตอบถึงคำถามเกี่ยวกับความเป็นทางมาถึกท่านตอบอย่างนี้นะครับว่าพระธรรมมาถึกประกอบด้วยองค์ดังนี้คือหนึ่งไม่พึงยกตนสองไม่ข่มบุคคลเหล่าอื่นยกตนกับข่มผู้อื่นนี่มันไม่ใช่เรื่องเดียวกัน ก็มีเรื่องเดียวกันก็มีคือถ้ายกตนเพียงเพื่ออวดอ้างเฉยเฉยเรียกว่ายกตนเท่านั้นแต่ว่าถ้ายกตนข่มคนอื่นยกตนด้วยข่มคนอื่นด้วยและบางครั้งเนี่ยอาจจะข่มคนอื่นโดยไม่ได้ยกตนก็ได้คือข่มคนอื่นเนี่ยคือปฏิเสธความไม่ดีของคนอื่นไอ้ความดีของคนอื่นนะด้วยประการต่างๆ ที่ไม่ใช่อ้างเอาความดีที่จะมีจริงไม่มีจริงของตนไปเป็นข้ อ, อเอาชนะค้าคารเขานั่นเป็นข้อสองต่อไปข้อสามไม่พึงกระทบกระทั่งบุคคลเหล่าอื่นคำว่ากระทบอันนี้ไม่ใช่เป็นการกมกระทบเนี่ยหมายถึงก็อย่างที่เราพูดว่ากระทบกระทั่งกันเดียเ๋ยวนีนะ แล้วก็ไม่กล่าวถึงคุณความดีของตนในที่ประชุมชนเพื่อมุ่งล่าผลาตรงนี้นะ่ะเป็นคำที่รัดกลุ่มคือถ้าบอกว่าไม่กล่าวถึงคุณความดีของตนอันนี้ไม่ไม่เบ็ดเสร็จเด็ดขาดพราว่าจะต้องเป็นผิดหรือจะต้องเป็นถูกนะการกล่าวถึงคุณความดีของตนก็ดีการกล่าวถึงความชั่วของตนก็ดีเป็นถูกก็มี ในกรณีกล่าวถึงความดีของตนเอง<ม>เพื่อมุ่งลับผลอย่างนี้ผิดแน่นอนความมุ่งหมายผิดแล้วก็ต่อไปข้อที่สี่ไม่มีจิตฟุ้งซ่านกล่าวแต่พอประมาณมีวัดอันนี้หนึ่งอันนี้หมายความว่ากล่าวด้วยอาจาระอันดี เรียกว่าการแสดงออกบนธรรมชาติดีนะแล้วก็ประมาณก็คือจะประมาณเวลาหรือประมาณทางเนื้อหาประมาณบุคคลอะไรย่างเงี้ยอยู่ในนี้หมดมีความหมายเยอะด้วยกันแล้วก็มีจิตไม่ฟุ้งซ่านตรงนี้เป็นคำแทนอกุศ ล, ลจิตโดยประการใดๆซึ่งมีอุทจจะเป็นสัพพจิตตาสาธารณอกุศลเจตสิกภิกษุเป็นผู้ผู้เป็นธรรมกระถึก พึงเป็นผู้มีปกติเห็นเนื้อความอันสุ ข, ขุมละเอียดนี่ก็หมายถึงคุณสมบัติทางเนื้อหามีปัญญาเฉลเชลา น, นนี้คือคุณสมบัติอันเป็นเครื่องกล่าวทำประพฤติอ่อนน้อมมีศีลตามเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้านั้นพึงได้นิพพานมาอยากเลยอันนี้เป็นการบอกว่า คนที่กล่าวธรรมะเนี่ยนอกจากวก็จะมีมีคุณธรรมอะไรต่างๆแล้วเนี่ยถ้ายังเป็นบุตุชนอยู่ก็จะต้องกล่าวคล้ายๆว่าชาทำมรรคฐานั้นให้เป็นประโยชน์แก่ตัวเองเพื่อบรรลุจุดหมายสูงสุดคือพระนิพพานด้วยตามความมุ่งหมายของพระนะเคืออย่าทิ้งจุดมุ่งหมายจุดมุ่งหมายนี้ก็จะเป็นตัวทําให้เราได้เป็นนิพพานด้วย ได้นิพพานด้วยถ้าได้นิพพานแล้วก็ได้นิพพานแล้วก็ต้องรอคนอื่นไปต่อไปนะครับองค์ที่ชื่อว่าพระจุลกะพระจุลกะรูปนี้เกิดในสกุลพราหมชาวมคตเหมือนกันชา ว, วราชฤก์เกิดในเมืองราชฤกษ์เริ่มสายพุทธเจ้าเมื่อคราวที่ทรงทรมานช้างมาบวช บวชแล้วก็ไปอยู่ในถ้ำถ้ำหนึ่งนะที่อยู่รอบเมืองราชเกลนั่นเองถ้าอินทสาและคูหาที่อินทกา ย, ยักษ์ไปถามพระพุทธเจ้าเรื่อง เ, อเกี่ยวกับพัฒนาการชีวิตในครันงมารดานั่นเองสูตรนั่นแหละแสดงที่นี่แล้วก็ท่านจุลกะได้ไปอยู่ในถ้ำแห่งนี้อาจจะมีกี่ถ้ำตอกเลข่องน้อยอยังไงเราไม่ทราบหรอกเรียกว่าอินท สาละคูหาอ้อขอโทษเถอเอถ้ำนี้น่ะเป็นถ้ำที่พระอินมาเฝ้าพระพุทธเจา้านะฮะในสักการบรหาสูตรที่พระอินเข้ามาพร้อมด้วยปัญจติกาเทพบุตรเป็นภคุภูนําทางให้แล้วก็พระอินได้บรรลุเป็นพระโสดาบันที่เนี่ยที่ในถ้ำนี้ขนาดฟังธรรมจบสูตรพอดี อ, อวันหนึ่งเนี่ยท่านก็ออกมา มาเรียกว่ามานั่งที่ประตูถ้ำแล้วก็มองมาที่ผื้นนาของชาวมคตตอนนั้นฝนตกนกร้องไม้เขียวขจีอากาศเย็นสบายนี่ได้สัปปายะครับของท่านเนี่ยเป็นทั้งเสน า, นาสนะสัปปายะแล้วก็อุตูสัปปายะจิตก็สงบได้พลังแล้วก็กลับไปเจริญที่ปัสนาคมฐานบรรลุเป็นพระละหันองค์ที่หนึ่งรอหกสบสองชื่อว่าท่านอนุปมาหรืออนุปมะอนุปมะเนี่ย ถ้าพูดถึงตามความหมายของคํานี้แล้วก็แปลว่าหล่อหรือสวยนั่นเองอะตามศัพท์นะฮะตามความหมายนะฮะแต่ไอ้ตามศัพท์แปลไม่ไม่มีที่เปรียบมันแบบว่าแปลว่าเหมือนอย่างคําว่าหล่อเนี้ยความหมายก็คือสวยง่ายแต่ตามพญยชยนะมันก็อธิบายกันแบบพญนะว่าหล่อคือทาไงเรียกว่าหล่อท่านเกิดในแคว้นโกศลเป็นชาวแคว้นโกศลเกิดในตระกูลที่มั่งคั่ง เป็นคนลูกงามนะแต่มีอุปนิสัยในทางการบวชก็เลยบวชตั้งแต่ยังหนุ่มยังแน่นเลยแต่แต่พบตั้งแต่โพธิมารครั้งแรกก็บวชบวชแล้วก็ทําวิปัสสนาอยู่ในป่าแต่เวลามาทําวิปัสสนาอยู่ในป่าแล้วอารมณ์ท่านฟุ้งซ่านมา ก, ก็มีอุปสรรคเรื่องอุท ธ, ธาจาัจจะแต่ว่าท่านสามารถที่จะบริหารตนเองได้นะฮะนี่ก็เป็นกติว่า คนโดยเฉพาะคนปฏิบัติธรรมเนี่ยถ้าสมมติว่าคนเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างสมัยก่อนที่ส อ, สอนเนี่ยอันหนึ่งคือสอนให้เขาบริหารตัวเองได้สอนให้หลักที่เขาฟังแล้วไปควบคุมตัวเองอันหนึ่งนี่ถ้าเป็นเราเองเนี่ยเราเรียนประยัดเนี่ยเราได้เครื่องบริหารตนเองจากพระสูตรจากพุทธพจน์จากตัวอย่างจากอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เราได้ข้อทาใจ บริหารตัวเองที่อุเจาว่าเราจะต้องเป็นโจ์ตัวเองคือต้องประเมินตัวเองต้องฟ้องตัวเองตรวจตัวเองพิจารณาตัวเองสอบสวนตนเองแล้วก็ต้องทำตนเองให้เป็นที่พึ่งทำหาอุบายวิธีต่างๆเพื่อจะควบคุมตนเองให้ดีที่สุดนะครับให้พึ่งคนอื่นให้น้อยที่สุดท่านเองเนี่ยท่านเก่งทางการ ควบคุมตนเองคือควบคุมตนเองในระหว่างปฏิบัติธรรมเพราะฉะนั้นอตอนที่ท่านได้บรรลุเป็นพระอระหันต์เนี่ยท่านได้เทศสอนตนเองเตือนตนเองเมื่อกิเลสปรากฏเทศสำทับตนเองอย่างที่บางคนบอกว่าฉันด่าตัวฉันเองผิดไหมอย่างนี้ นั่นเขาก็บอกเขาใช้ของเขาเองโดยเขาไม่ได้นึกว่าจะเป็นธรรมะอะไรหรอกด่าตัวเองเวลาเกิดกิเลสครั้งก็หยิกตัวเองบ้างเหมือนกันหยิกเพื่อที่จะคือหยิกตัวเองแล้วให้มันเจ็บไปถึงกิเลสอ่ะผิดไหมตอบว่าไม่ผิดพระพุทธเจ้าสอนวิธีการควบคุมตนเองด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่งทํานองอย่างนี้ไว้มากเอท่านว่า จิตถึงความเพลิดเพลินเพราะทาใดทาตรงนี้ไม่ใช่ธรรมะธรโมนะทำใดยกขึ้นสู่หลาวและจิตเป็นดังลาวเป็นดังท่อนไม้ขอท่านจงเว้นธรรมนั้นๆให้เด็ดขาดดูก่อนจิตเรากล่าวธรรมนั้นว่าเป็นธรรมมีโทษเรากล่าวธรรมนั้น ว่าเป็นธรรมเครื่องประทุสร้ายจิตพระศาสดาที่บุคคลได้ด้วยยากท่านก็ได้แล้วท่านยามาชักชวนเราไปในทางชีบหายเลยในเป็นการพูดกิกิเลสทําความรู้สึกกิเลสเหมือนเป็นบุคคลอื่นแล้วก็ต่อรองพูดจาว่ากล่าวกันในเป็นเป็นการทําใจเป็นการกล่าวข้อความเตือนตน ตนเตือนตอ น, ตนให้พ้นผิดงั้นคนอื่นเตือนเราก็คือเตือนเพื่อให้เราเตือนตัวเองนั่นเองและคนที่เข้มแข็งเนี่ยก็รู้จักทำตนเองให้เป็นคนอื่นแล้วมาเตือนตอนเองให้เตือนตอนเองได้ด้วยจึงไม่ต้องคนอื่นที่เป็นคนจึงไม่ต้องพึ่งคนอื่นที่เป็นคนอื่นจริงๆไปเสียโดยไม่จำเป็น ต่อไปอีกสักสิบนาทีนะฮะให้พอดีดีกับเวลาที่ขึ้นเวทีเมื่อกี้องค์ถัดไปชื่อว่าวัดชิตะองค์นี้ก็มีข้อพิเศษบางประการที่เราไม่ได้ยินจากพระอรหันต์องค์อื่นที่พูดมาแล้วทั้งหมดนะที่ชื่อว่าวัดทิตะเนี่ยแปลว่าอะไรแปลว่า เว้นจากการถูกต้องหมายถึงเว้นจากการถูกต้องสตรีหมายความว่างไงมีความเป็นมาอย่างไงอธิบายอย่างนี้โดยลําดับว่าท่านวัติตาเนี่ยท่านเป็นคนเกิดในสกุลมั่งคังชาวแคว้นโกศนเนี่ยและที่ได้ชื่อวัติตาเนี่ยก็แปลว่าเป็นคน ลังเกียดผู้หญิงตั้งแต่เด็กตั้งแต่ไม่รู้ความนี่เป็นเรื่องของวาสนาบารมีติดตัวมาตั้งแต่เกิดทําไมถึงลังเกียจเพราะว่าท่านเองในจุติมาจากโกลมโลกทีนี้ไอตอนแรกหน้าจะลังเกียดตั้งแต่ไม่ยอมก้าวต้องผู้หญิงเนี่ยนะท่านลังเกียจที่เขาไปลงมาเกิดเป็นมนุษย์มาจากโกลมโลก มาเกิดเมื่อคลอดออกมาแล้วเนี่ยพอพอผู้หญิงเขาเอาไปอุ้มเนี่ยเด็กร้องไม่อยู่ที่แรกก็ไม่รู้แต่ว่าทำไปทามาก็ต้องเกตดได้เออถ้าผู้ชายอุ้มเงียบผู้หญิงอุ้มร้องทุกทีก็เลยตั้งชื่อว่าวัชิตาคือผู้ห้ามจากการถูกต้องหมายถึงไม่ถูกต้องผู้หญิงกรณีอย่างนี้นนะถามมาสมัยนี้มีไหมถ้าแบบนี้เป๊ะเลยไม่มี มีแต่ว่า อ, าอย่างองค์หนึ่งที่ที่ท่านเป็นพระอยู่เดียเ๋ยวนี้อยู่วัดบางประกดเป็นเจ้าวาดแหละเป็นพระครูด้วยชื่อพระสมพิษท่านเจริญท่านพระกุลเดิมท่านตั้งแต่เด็กเนี่ยท่านท่านกลัวเกลียดกลัวผู้หญิง แล้วก็ชอบฝันฝันถึงผู้หญิงแบบเปลี่กลัวนี้ถ้าถ้าหากว่าท่านไม่มีอะไรเก่าๆมาเล่าฟังเราก็ไม่รู้แต่มีอะไรเก่าๆมาเล่าฟังถึงรู้ว่าโอ้ท่านท่านถูกผู้หญิงฆ่าตายสมัยที่เป็นในท้ายเรือเมที่ชื่อในเสยนี่ท่านเคยเล่าเคยนิมนต์ท่านมาพูดนานแล้วยี่สิบกว่าปีแล้ว ยังเป็นแผลเป็นอยู่ตรงหน้าอกเนี่ยถึงเดือเนี้ยถูกผู้หญิงแทงตายแล้วก็ตายแล้วก็มาเกิดในแถวนั้นแหละตอนนั้นตายแถววัดหน้าวัดคูสร้างอำเภอบางประกอัอตมบลบางประกันอำเภอประแดงสมุทรปราการตายแล้วก็มาเกิดใหม่เป็นคนแถวนั้นแล้วระลึกชาติได้แล้วก็ยังเจอคนที่ฆ่าแกตายเนะี่ย ก็เลยเลยเลยกลัวไปหมดเลยผู้หญิงชอบฝันถึงมีด ท, ที่ที่มาแทงแกตายเลยดีมานะบวชเป็นพระเพราะกรณีนี้เรียกว่ากลัวเพราะเหตุอันนี้แต่ว่ากรณีของของพ่อแม่สุวรรณสามนั่นก็ไม่ชอบเพศตรงข้าม เพราะเหตุทางเนกกร ม, มะบารมีที่ได้สั่งสมไว้แล้วไปเกิดเป็นพลมตายอย่างลมโลกก็จะเป็นอย่างนี้นั้นที่เขาบอกว่าพลมมาทรงพลมมาเซิงอะไรแล้วมาทรงร่างผู้หญิงอะไไม่ใช่ถ้าในอย่างที่เราเห็นนะฮะแล้วมาทรงร่างผู้หญิงเป็นปลมเนี่ยยิ่งไม่ใช่เด็ดขาดเลยนี่ยากง่ายมากสําหรับเหตุผลนี้ก็เป็นนั้นว่าท่านเองเมื่อ มีสภาพเป็นอย่างนี้จึงนับว่าเหมาะแก่ชีวิตพรหมจรรย์อย่างยิ่งเมื่อได้มาเห็นพระพุทธเจ้าทรงทำยมกปฏิหารในพรรษาที่เจ็ดนะครับก็เลื่อมใสก็บว่เข้ามาในวันนั้นแล้วก็พิเศษก็คือบรรลุเป็นพระอรหันต์ผู้ทรงอภิญญาในวันนั้นเองในวันนั้นเลยวันที่พุทธเจ้าขึ้นดาวดึงเทวโลกนะครับแล้วก็ละลึกชาติ ก่อนได้เกิดความสล ด, ดสังเวชเป็นหลายอย่างหลายประการต่อไปองค์ที่หกสิบสี่ชื่อว่สสันทิตอาองค์นี้ก็มีประวัติแง่มุมที่แปลกบางอย่างที่น่าฟังอยู่คือท่านเองนั้นเกิดในสกุลมั่งข้างชาวแคว้นโกศลเหมือนกับสองสามองค์ก่อนหน้านี้ก็ได้ฟังธรรม เรื่องหนึ่งที่ทําให้ท่านศรัทธาและถึงออกบวชก็คือได้ฟังธรรมเรื่องที่ท่านใช้กว่าปฏิอณิจตตาปฏิสังยุตคือเรื่องที่ประกอบด้วยอานิจจังก็อาทามง่ายๆก็คือธรรมเทศนาที่เกี่ยวกับอานิจจังความไม่เที่ยงมันสะใจกระเทือนใจเป็นที่พึงใจของท่านอย่างยิ่งทําให้ท่านสลดใจอย่างยิ่งแล้วก็ออกบวช คือว่าคนเนี่ยก็เวลาฟังเรื่องอนิจจังทุกขังอนาัตตาเนี่ยพูดถึงอนิจจังคนเนี่ยเกิดความรู้สึกว่าแหมมันสนุกพูดถึงเรื่องความตายรู้สึกว่ามันทราบซึ้งมันสนุกมันชวนให้ได้อารมณ์ประหลาดๆอันนี้ไปสัมผัสกับวาสนาบา ร, รมีเขาบางคนไปฟังเรื่องเรื่องกายกตาสติฟังแล้วก็ทราบซึ้งประทับใจเหลือเกินมันเป็นไปเรื่องที่เรียกว่าสอดคล้องกับบารมีเขา ท่านเองท่านมีบารมีมาทางอ น, นิจจังอันหนึง่งเมื่อได้บวชก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ง่ายเลยนะครับเพราะว่าบารมีนี้สอดคล้องกับวิปัสสนาอยู่แล้วแล้วก็เมื่อเป็นอาหารหันต์ก็ได้ระลึกถึงชาติก่อนว่าได้ทำอะไรไว้ทำไมจึงได้มาชอบอ น, นิจจังอย่างจากใจไอ้เรื่องอะไรที่เป็นเรื่องอ น, นิจจังความเป็นความตายแล้วก็แหมฟังแล้วราบซึ้งถึงใจท่าน ท่านก็เล่าว่าละชาติฟังก่อนเนี่ยท่านได้ทําบา ร, รมีอันนี้ไว้เมื่อสมัยที่พบพระพุทธสิกขีตอนนั้นเป็นนายโกบาลได้เข้าไปหาภิกษุรูปหนึ่งฟังพุทธคุณจากพระภิกษุรูปนั้นแล้วก็เกิดความเลื่อมใสเมื่อเกิดความเลื่อมใสแล้วก็ถามว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคทรงประทับอยู่ที่ไหนจะไปกราบจะไปฟังธรรมพระรูปนั้นก็บอกว่าบัดนี้พระผู้มีพระภาคปรินิพพานแล้วแล้วก็เลยเทศวันนี้ล่ะอ น, นิจจังตัว ให้เกิดสังเวกธรรมเหมือนอย่างเราได้รับคําสั่งคําบอกจากพรพุทธเจ้าว่าให้ไปกราบสังเวชนยะเพื่ อ, อยังสังเวชให้เกิดว่าไม่ทันไรพระผู้มีพระภาคดับกันเสร็จแล้วคนที่ยิ่งใหญ่อย่างพุทธเจ้าก็ยังไม่สามารถที่จะรักษาชีวิตของพระองค์ให้อยู่ค้ำฟ้าค้ า, าดินได้ก็เกิดความรู้สึกอย่างนี้เป็นความสังเวชอนิจจสัญญาที่ เข้าไปผูกพันกับศรัทธาจริตศรัทธาจิตนะเนี่ยสังเกตนะเวลาคนไปไหว้สังเวชนียะเนี่ยถ้าไหว้และให้ได้ความรู้สึกตามที่พระเจ้าทรงสั่งบอกไว้ในมหาปริพานธสูตรเนี่ยนะต้องไหว้แล้วได้สองอย่างหนึ่งได้ศรัทธาสองได้อนิจจสัญญาเวลาไปไหว้แล้วได้ไหมได้ไหมได้ไหมได้ไหมต้องได้สองอย่าง อันนี้เป็นพลังที่ดีมากได้สตาก็คือทําให้เราเรื่อมใสในพุทธเจ้าแน่นแฟนขึ้นเรื่อมใสในความดีของท่านแน่นแฟนขึ้นแล้วก็ได้อันนี้จากท่ญญานจะใช้เป็นเครื่องทำให้เรากระตุ้หรือล้นเราจะต้องทําอะไรอยู่เฉยไม่ได้แล้วก็ไว้วางใจอะไรที่อื่นจากธรรมะเนี่ยไม่ได้เราก็ได้แรงกระตุนนั้นท่านเองเนี่ยพระองค์นั้นเป็นอาจารย์สอนอย่างนี้ก็ได้ความอย่างนี้และ พระอาจารย์ก็เลยบอกอุบายว่าเพราะฉะนั้นเมื่อท่านเลื่อมใสพระผู้มีพระภาคซึ่งปรินิพานแล้วขอให้ท่านเนี่ยได้อุสาหะไปบูชาต้นตัดสรูือต้นโพธิปุจจด้ในทีพระศ า, ศาสดาองค์นั้นได้ตัดสรูเนี่ยเรียกต้นโพตั้งนั้นแหละให้ไปบูชาที่นั่นเป็นนิจตามการและไปเจริญวิปัสสนากรรมฐานที่นั่นด้วย จะเจริญอนิจังทุกคนะรั้งหน้าตาจะเจริญที่นัได้ทั้งศรัทธาได้ทั้งอนิจังทุกครั้งหน้าตาไอตรงนี้นะครับมากลวงกับความตั้งใจของพวกเราบางคนแล้วก็หลวมต้งผมด้วยที่ได้ไปโพธิคยามาแล้วไปนั่งทำธรรมฐ า, านมาแล้วก็วได้ความรู้สึกอะไรพิเศษพิเศษขึ้นตามสมควรแล้วแล้วก็เลยยังเก็บเป็นข้อฝังใจว่าบนบนเจดีเนี่ยเขามีเป็นที่ปฏิบททัติธรรมแล้วก็ได้รับคําบอกกล่าวจาก ผู้ส่งคุณวุฒิทางธรรมะฝั่งหลังก็มีเพีนแก่ก็มีว่าที่นั่นว่าแรงสำหรับการปฏิบัติธรรมควรจะไปอยู่ปฏิบัติที่นั่นให้ได้ไปเที่ยวที่แล้วไม่ได้ขึ้นไปนั่งตรงนั้นนั่งอยู่แต่ข้างล่างก็ยังรู้สึกดีถ้าเราจะไปได้ใช้ที่นั่นเป็นสํานักนี่ปุ้นว่าถ้าใครจะไปนะแล้วก็ไปพักที่วัดวั ด, วดไทยพุทธกยาเช้าขึ้นมา ฉันเสร็จแล้วก็จาริกมานั่งกรรมฐานอก็จะอยู่ทั้งวันถ้าฉันคนเดียวก็ได้หรือกลางวันจะไปหาอฉันอีกแล้วก็กลับมาอีกก็ดีคงจะมีอะไรพิเศษแหละคงเข้าใจว่างั้นนะแต่ว่าท่านกล้วก้าท่านยืนยันที่ที่เป็นอาจารย์กรรมฐานที่มีสำนักอยู่ที่นั่นท่านถึงบอกบอกพวกพวกเราบางคนที่ปฏิบัติอย่างนั้นให้ไปปฏิบัติที่นั่นฝรังหลายคนก็ไปที่นั่น ผมรู้เมื่อไปที่นั่นจากพวกเราที่เคยปฏิบัติแล้วก็ได้รับคําแนะนํามาจากท่านเหล่านั้นบอกต่อมาอีกทีก็ได้สองอย่างครับถ้านึกให้ดีเนี่ยนะจะได้สองอย่างอันนี้ก็เลยเป็นบา ร, รมีนะบา ร, รมีศรัทธาจาริลุด้วยอนิจจสัญญาด้วยติดเป็นความรู้สึกคนเนี่ยถ้ามีอนิจจสัญญาแล้วมันจะเป็นเครื่องกั้นไอ้กิเลสอันหนึ่งนะที่เรียกว่า ความเพลิดเพลินโลกคนที่ถึงทำชั้นสูงแล้วเขาเรียกว่าละความยินดีอะไรอะไรในโลกเสียได้ไอต้ตรงนี้นะต้องมีความหมายอย่างธรรมะนะคือไม่เป็นคนหลงโลกอนะไอ้หลงโลกเนี่ยมันหมายว่าเห็นอะไรก็ลืมลืมนึกว่าโลกเนี่ยมันเป็นโลกกลมๆลมอยอยู่ในอากาศเท่านั้นนะฮะแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของจักรวาล ดวงอาทิตย์ดวงนี้จักรวาล น, นี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของการเลกซีนี้การเลกซีนี้ก็เป็นการเลกซีหนึ่งของกาเล็กซีทังมากมายที่อยู่ในอวกาศเว่อรว่า ง, งมันไม่ใช่ของใครมันเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยเรยเราเป็นเพียงผงทุรีอันหนึ่งที่มาสัมผัสถูกต้องปลิวไปปลิวมาแล้วก็สมุติติ้งต่างกันว่าอย่างนั้นอย่างนี้แต่นั้นเองแล้วก็ไม่มีอะไรที่น่าฝากฝีฝากไข้เลยในโลกนี้และเราไปยึดมากเนี่ยมันกลายเป็น เป็นผลในทางทำลายมากกว่าผลในทางดีนั่นก็ให้ให้ให้เราครอบงาโลกอย่าให้โลกครอบงาเราให้เราเหยียบโลกย่ําโลกอย่าให้โลกย่ยํายีเรานี้ถ้าคนนึกถึงอันนี้จังเนี่ยมันก็รู้สึกว่ามันก็เป็นอิสระเพราะอะไรมันก็มันของชั่วคราวชั่วคราว เ, เราจะไปไปฝากผีฝากไข้อะไรก็ไม่ได้ก็ชั่วคราวชั่วคราวหมดเอ่อผมอยากจะเน้นว่ตัวนี้มันดีตรงที่ว่าถ้าคน เป็นคนได้ธรรมะและโอกาสจะเสียธรรมะก็อยากเลยนะผมสังเกตเอาอย่างนี้ว่าบางคนเนี่ยมามาอ่านที่มาบนว่าแหมเมื่อก่อนนี่ธรรมะดีมากอย่างงอย่างนี้เราเห็นปั๊บเนี่ยก็บอกเลยบอกเนี่ยพะคุณเสียธรรมะของคุณมันกลายเป็นอดีตไปแล้วเนี่ยเพราะว่ า, ารตติสัญญาแรงรติสัญญาแรง คือเป็นคนสนุกมากอันเนี่ยเอาความมีอะไรกันสนุกกับโลกมีไม่มีบารมีตาอนิจจาสัญญาสนุกกับโลกนะ เ, นเล่นของเล่นกับโลกมากไปเพราะฉะนั้นคนที่เคยตาทิพก็หายตาทิพคนที่เคยยังก็หายเพราะไอ้จริงอะไรเนี้มันทำลายธรรมะแต่ถ้าคนมีอ น, นิจจังเนี่ยมันรักษาเลยทำให้มันเหมือนกับเป็นความสังเวชอย่างดีที่สุดอ่ะความสังเวชอย่างดีที่สุดมันมันรักษาใจเราไว้ ถ้าใครจะรักษาธรรมะไว้ให้ได้นะโดยอัตโนมัติอันหนึ่งคือเลี้ยงสัญญาตัวนี้ไว้และจะรักษาตัวนี้ให้เข้าวัดแล้วก็ไม่ออกนอกวัดเลยพอออกแล้วก็สนุกกับโลกไม่เต็มที่มันเห็นอนิจจงเต็มโลกไปหมดม่รีบไปที่ไหนไปอเมริกาก็อนิจจ์ใช่ไหมฮะไปสวิตซ์ก็อนิจจ์หุ้นขึ้นกับอนิจจงตำแหน่งขึ้นกับอนิจจงมันก็เลยแหมสนุกไม่ลงสักเรื่องเดียว ก็เลยคิดไปคิดมาแล้วไม่มีอะไรดีกว่านี้ก่อที่เราเราเห็นในธรรมะตามระดับภูมิยาเราเนี่ยโอ้อ่าตองก็ต้องจบสินะเราจบแค่นี้ก็แล้วกันวันนี้พูดได้